ปเพียงเล็กน้อยจากเวลาที่พระศ า, ษ า, ษาสดาตรัสขบพระอ น, นุ์เรื่องอสารพิษปัจิมยามแห่งราตรีฝนถึงตกหนักมาตั้แต่ปฐมยามได้เริ่มสางซาลงบ้างแล้วถ้วยนาครกกำลังร่วงขู่ลิตรารลมอันสนิทใครจะนึกบ้างว่าในยามนี้มีมนุษย์จุกลมหนึ่งกำลังทำความพยายามเข้าไปสู่พระนครเพื่อทรัพย์สมบัติซึ่งตนไม่ได้ลงทุนหามาเลยถูกแล้ว เขามีอาชีพเป็นโจรประตูเมืองปิดสนิทยามรักษาการแข็งแรงเขาประชุมปรึกษากันตั้งแต่กัปตมยามว่าจะหาทางเข้าพระนครได้โดวยวิธีใดในที่สุดเ ม, มื่อใกล้ปิมยามเขามาเขาจึงตกลงกันว่าจะต้องเข้าไปในทางท่อระบายน้ำคืนนั้นพวกเขาไม่ได้นอนเลยจริงทีเดียวบุคคลผู้หลับน้อยตื่นนาน หรือบางทีไม่ได้หลับเลยในราตรีนั้นมีอยู่ทั้งหมดห้าจพวกด้วยกันคือ 1. หญิงผู้ปฏิพัทธ์ชายหวังให้เขาชม 2. ชายผู้ปฏิพัทธ์หญิงรำพึงถึงเธอด้วยดวงจิตที่จดจอ่อ 3. โจรมุ่งหมายทรัพย์ของผู้อื่นหาทางจะขโมยหรือปล้น 4. พระราชากังวลด้วยราชภารกิจและห สมณะผู้ทำความเพียร ล, ละกิเลสหญิงชายปฏิพัต ช, ชูวหวังชมเชยนาโจรมุ่งหมายทรัพย์ทางปล้นพระชันกิดกังวลมากอยู่พระอยากละกิเลสพ้นหลับน้อยตื่นนานบุคคลสามประเภทหลังคือโจรพระราชาและสมณะนั้นแม้จะหลับน้อยแต่ว่าเมื่อถึงเวลาจะหลับ คือสิ้นภาระหน้าที่แล้วก็สามารถหลับได้ยังง่ายได้และสงบแต่ว่าสองประเภทแรกสิเมื่อยังไม่หลับก็ยากที่จะกลมตาให้หลับลงได้และเมื่อหลับก็หลับไม่สนิทคอยพลิกฟื้นตื่นผวาอยู่ร่ำไปกระสับกระส่ายกระวนกระวายรุ่มร้อนเพราะภาพแห่งคนรักคอยแต่ฉายเข้ามาในความรู้สึกตลอดเวลาความรักเป็นความร้าย ที่เที่ยวทรมานคนทั้งโลกให้บอบช้ำตรอมตรมโจรพวกนั้นเข้าไปในท่อน้ําได้สําเร็จสมประสงค์แล้วทําลายอุโมงค์ในตระกูลที่มั่งคั่งตระกูลหนึ่งได้แก้แหวนเงินทองไปเป็นจำนวนมากพร้อมทั้งถุงเงินด้วยก็นําไปแบ่งกันหน้าที่แห่งหนึ่งแต่บังเอิญเขาลืมถุงเงินไว้เพราะมีของอื่นมากหลายจนนําไปแทบจะไม่หมด เมื่อเจ้าของทราบตื่นขึ้นทราบเหตุในตอนเช้าจึงออกติดตามและมาพบร่องรอยตรงที่โจรแบ่งของกันแล้วตามรอยของชาวนาคนนั้นไปพอดีรอยเท้าไปหยุดลงที่กองฝุน่นเขาลองเขี่ยดูก็ปรากฏผงเงินมากหลายจึงแน่ใจว่าชาวนาซึ่งกำลังไถนาอยู่นั้นเป็นโจรช่วยกันตีจนบอบช้ำแล้วนาตัวไปถวายพระเจ้าเปรตเสที่โกศล พระราชาทรงทราบเรื่องราวและรับสั่งให้ประหารชีวิต ร, ราชาบุตรเขียนเขาโดยหวยครั้งละห ล, หลายเส้นแล้วนำไปสู่ตะแลงแกงในขณะที่กำลังถูกนำไปสู่ที่ฆ่านั่นเองเขาพร่ำอยู่เรื่องเดียวคือเรื่องข้อความที่พระศ า, าสดาตรัสกับพระอนุนดูก่อนอนุนเธอเห็นอสารพิษไหมเห็นพระเจ้าข่าเมถูกเขียนโดยหวยเขาก็พูดคำนี้ ดูก่อนอานน์เธอเห็นอสสรพิษไหมเห็นพระเจ้าค่าจนราชบุรุษประหลาดใจจึงถามข้อความนั้นเขาบอกว่าถ้านําเข้าไปเฝ้าพระราชาเขาจึงจะบอกพระราษฎรนำตัวไปเฝ้าพระราชาเป็นทิ่โกศลพระองค์ตรัสว่าดูก่อนกาสกะเพราะเหตุไรเธอจึงกล่าวพระดํารัสของพระศาสดาและพระพุทธลุชาอานน์ด้วย เทว่าข้าพระองค์ไม่ได้เป็นโจรแต่ข้าพระองค์กลธรรมนาหาเลี้ยงชีพโดยสุจริตแล้วเขาก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้พระราชาทรงทราบจอมเสนาแห่งแคว้นโกศลสดับคำนันแล้วทรงนำํำฤิกว่าชายผู้นี้อ้างเอกอัครบุรุษคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพยานการลงโทษบุรุษเห็นปานนี้โดยไม่ได้สอบสวนใหแน่นอน อาจจะเป็นเหตุให้เราต้องเสียใจไปจนตลอดชีวิตก็ได้ทรงดำริอย่างนี้แล้วจึงรับสั่งให้คุมบุรุษผู้นั้นไว้ก่อนเย็นวันนั้นพระองค์เสด็จไปเฝ้าพระาศาสดาและให้นําชาวนาคนนั้นไปด้วยเมื่อถวายบังคมแล้วจึงทูลถามพระพุทธองค์ว่าพระองค์ผู้เจริญเช้า ว, วันนี้พระองค์และระคุณเจ้าอ น, นุเสด็จไปที่นาของชายผู้นี้หรืออย่างนั้นมหาบพิษ องค์ได้ทรงเห็นอะไรบ้างพระเจ้าค่ะพระเจ้าประเศธิโกศลทูลถามเห็นผุงเงินมหาบาพิษแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงเล่าเรื่องทั้งหมดตรงกับที่ชาวนาเล่าพระเจ้าประเศธิโกศลทราบเรื่องนี้ทรงสลดสังเวชพระไถยยิ่งนักกราบทูลว่าข้าแต่พระพุทธองค์ผู้ทรงเป็นที่พึ่งของโลกข้าพระองค์รู้สึกเสียใจและไม่สบายใจมาก ที่สั่งลงโทษบุรุษผู้นี้โดยที่เขาไม่มีความผิดเลยถ้าเขาถูกประหารชีวิตและข่าพระองค์มาทราบภายหลังว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์ข่าพระองค์คงจะต้องเสียใจไปตลอดชีวิตพระองค์ไม่เพียงแต่เป็นที่พึ่งของบุรุษผู้นี้เท่านั้นแต่ทรงอนุเคราะห์ข้าพระองค์ให้พ้นจากบาปด้วยข่าแต่พระจอมมุนีพระองค์ช่างอุบัติขึ้นมาเพื่อประโยชน์สุขของโลกโดยแท้ ตรัสอย่างนี้แล้วพระเจ้าประสเส้นที่โกศลก็ซบพระเสียนลงแทบพระยุคุบาทของพระศาสดาทรงจุมพิษพระบาทของพระพุทธองค์ด้วยความเลื่อมใสอย่างสูงซึ่งพระองค์มักจะทรงกระทําเสมอเมื่อเข้าไปเฝ้าพระพุทธองค์พระตถาคตเจ้าทรงปลอบให้พระราชาเบาพระไทยด้วยพระพุทธธรรมรัตน์เป็นอเนกกปริยายตอนสุดท้ายจัดว่ามหาบพิษ คลือหัดผู้บริโภคการเกียร้านหนึ่งพระราชาทรงประกอบกรณีกิจโดยวิ่ได้พิจารณาโดยรอบครอบทีท่วนก่อนอหนึ่งบรรพชิตไม่สำรวมหนึ่งผู้อ้างตนว่าเป็นมณดิตแต่มักโกรธหนึ่งสี่จำพวกนี้ไม่ดีเลย ที่ทำไปแล้วต้องเดือดร้อนใจในภายหลังต้องมีหน้าชุ่มในน้ำตาสวยผลแห่งกรรมนั้นตถากฏกล่าวว่ากรรมนั้นไม่ดีควรเว้นเสียมหาบาพิษนานมาแล้วมีพระราชาพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าปิงคละตัวนาครถวายส่อยพระนามให้ว่าอาการพะเนตรผู้มีพระเนตรไม่ดำหมายความว่าทรงดูร้ายและประกอบราชกิจ โดยมิได้ทรงพิจารณาสั่งฆ่าประหารคนโดยมิได้พิจารณาให้รอบครอบจนเป็นที่เกลียดชังของชนทั้งหลายเมื่อพระองค์สิ้นพระชนลงชาวนาคอนต่างก็ชื่นชมโสมนัสเล่นมหรศรศพเจ็วันเจ็ดคืนฉลองให้ยกธงทิวตามพระทีบค์โคมไฟหลากสีมีการละเล่นเต้นลําอย่างเบิกบานใจในท่ามกลางความเบิกบานนั่นเองมีคนเฝ้าประตูคนหนึ่ง ไปยืนเกาะบานประตูร้องไห้อยู่เมื่อถูกคนทั้งหลายสักถามถึงสาเหตุที่ร้องไห้เขาตอบว่าเขาร้องไห้เพราะพระราชาอาการหนเนธสิ้นประชนนั่นเองเขากลัวกลัวว่าพระองค์เสด็จไปสู่ยมโลกแล้วจะไปทำธารุณกรรมต่างๆจนยมบาลเอาไว้ไม่ไหวแล้วจะส่งกลับขึ้นมาก่อกวนความสงบสุขในโลกนี้อีกเขาคิดไปอย่างดีแล้วจึงร้องไห้ หาได้ร้องไห้เพราะความเสียใจหรือความจงรักภักดีไม่มหาบาพิษเมตตากรุณาเป็นพรอันประเสริฐในตัวมนุษย์พระเจ้าประเสริที่โกศลทรงบันเทิงด้วยพระธรร ม, มเทศนาของพระศาสดาเป็นที่ยิ่งทรงสนทนาต่อไปอีกสักครู่หนึ่งแล้วถวายบางคมลากลักส่วนชายชาวนาผู้นั้น ได้ทรงกระแสจิตไปตามพระราชลธรัดของพระศ า, าสดาสามารถถอนสังโยชน์เบื้องต่ำสามประการได้สําเร็จเป็นโสดาปฏิผลเป็นอริยบุคคลชั้นโสดาบันด้วยประการรัชนีแม้จะทรงมีพระไทยกรุณาประดุดท่วงมหันลบก็ตามแต่พระบรมศาสด า, สดาทรงลังเกียจอย่างยิ่งซึ่งบุคคลผู้ไม่บริสุทธิ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระสาวกที่ทรงเพศเป็นภิกษุ มีเรื่องสาทกดังนี้วันหนึ่งเป็นวันอุโบสถพอพระอาทิตย์ตกดินพระสงฆ์ทั้งมวลก็ประชุมพร้อมกันณปสถาานเพื่อฟังพระโอวาทปาติโมกซึ่งพระพุทธองค์ทรงแสดงเองทุกขึงเดือนพระมหาสมณเจ้าเสดสู่โรงอุโบสถแต่ประทับนั่งเฉยอยู่หาทรงแสดงพระโอวาทปาติโมกใหม่เมื่อปฐมยามแห่งราตรีล่วงไปแล้ว พระ อ, อ น, นุ์พุทธะอนุชาจึงนั่งคุกเข่าพระนมมือถวายบังคมแล้วกราบบูนว่าพระองค์ผู้เจริญบัดนี้ปฐมยามแห่งราตรีล่วงไปแล้วภิกษุทั้งหลายคอยมานานแล้วขอพระองค์โปรดทรงแสดงโอวาทปาติโมกเถิดแต่พระพุทธองค์ก็ยังทรงเฉยอยู่เมื่อมทิมยามแห่งราตรีล่วงไปแล้วพระ อ, อนุนก็ทูลอีก แต่ก็คงประทับเฉยไม่ทรงยอมแสดงพระโอวาทปาฏิโมกเมื่ อ, อย่างเข้าสู่ปจิมยามพระอนนท์จึงทูลว่าพระองค์ผู้เจริญบัตรนีปตมยามและมัธถิมยามล่วงไปแล้วการเวลาย่างเข้าสู่ปจิมยามภิกษุทั้งหลายคอยมานานแล้วขอพระองค์อาศัยความอนุเคราะห์แสดงโอวาทปาติโมกเถิญพระมหามุนีตรัสว่าดูก่อนอนน์ ในชุมนุมนี้ภิกษุผู้ไม่บริสุทธิ์มีอยู่อานนท์มิใช่ฐานะที่ตถาคตจะแสดงปาติโมกในท่ามกลางบริษัทอันไม่บริสุทธิ์ตรัสอย่างนี้แล้วก็ประทับเฉยต่อไปพระมหาโมคลานะอัครสาวกเบื้องซ้ายนั่งเข้าชานตรวจดูว่าภิกษุรูปใดเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์อันเป็นที่รังเกียจของพระาศราสดา เมื่อได้เห็นแล้วจึงกล่าวขึ้นท่ามกลางสงว่าดูกอนภิกษุท่านออกไปเสถ็จพระศาสดาเห็นท่าแล้วแม้ประมหาเถระจะกล่าวอย่างนี้ถึงสามครั้งภิกษุรูปนั้นก็ไม่ยอมออกไปจากจุมนมสงประมหาโมกขลานะจึงลุกขึ้นแล้วดึงแขนภิกษุรูปนั้นออกไปเมื่อภิกษุรูปนั้นออกไปแล้ว พระอนุ์จึงทูลให้แสดงโอวาทปาติโมกอีกพระศ า, าสดาตรัสว่าอัศาจารย์จริงโมคลานะหนักหนาจริงโมกคลานะเรื่องไม่เคยมีได้มีขึ้นแล้วโมคาบุรุษผู้นั้นถึงกับต้องกระชากออกไปจากหมู่สงเธอช่างไม่มีความฮิริโอตปะเสยียเลยภิกษุทั้งหลายเป็นอัถนะเป็นไปไม่ได้ที่ทศกัตจะพึงทำอุโบสถแสดงโอวาทปาติโมก ท่ามกลางชุมนุมสงฆ์ที่ไม่บริสุทธิ์แม้จะมีเพียงรูปเดียวก็ตามภิกษุทั้งหลายโมคะบุตรผู้นั้นจะทําให้เราลำบากใจภิกษุทั้งหลายเราขอประกาศให้เธอทั้งหลายได้ทราบว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราตถาคตจะไม่ทําอุโบสถแสดงปาฏิโมกขอีกขอให้สงฆ์ทั้งหลายทํากันเอง แลพระพุทธองค์ก็ทรงแสดงความอัศจรรย์แห่งพระธรรมวินัยแปดประการเปรียบด้วยความอัศจรรย์แห่งมหาสมุทรดังนี้ภิกษุทั้งหลายมหาสมุตรย่อมลึกลงตามลําดับลาดลงตามลําดับไม่โครกชันเหมือนภูเขาขาดชั้นใดธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นมีการศึกษาตามลําดับการปฏิบัติตามลําดับการบรรลุมรรคผลตามลําดับ ลึกลงลึกลงตามลำดับพิกษุทั้งหลายมาหาสมุทรแม้จะมีน้ำมากอย่างไรก็ไม่ล้นฝั่งคงรักษาระดับไว้ได้ฉันใดในธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นพิกษุสาวกของเราย่อมไม่ละเมิดสิขาบทที่เราบัญญัติไว้แม้จะต้องลำบากถึงแก่ชีวิตก็ตามพิกษุทั้งหลายมาหาสมุรย่อมชัดสาดซากศพที่ตกลงไป ให้ขึ้นฟังไม่ยอมให้ลอยอยู่นานฉันใดในธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นสงย่อมไม่อยู่ร่วมด้วยภิกษุผู้ทุศีลมีายบาปมีความประพฤติไม่สะอาดน่ารังเกียจมีการกระทําที่ต้องปกปิดไม่ใช่สมณะปฏิญาณตนว่าเป็นสมณะไม่ใช่พรหมจรีปฏิญาณตนว่าเป็นพรหมจรีเป็นคนเน่าในรุงรังสางได้ยากเหมือนกองขยะ กองอยากเยื่อสง์ประชุมพร้อมกันแล้วย่อมขับไลพ่พิสุนั่นออกเสียจากหมู่พิกษุเช่นั้นแม้จะนั่งอยู่ท่ามกลางสงก็ชื่อว่าอยู่ห่างไกลจากสงและสง์ก็ชื่อว่าอยู่หาา่ง า, หางไกลจากพิสุเช่นั้นภิกษุทั้งหลายแม่น้ําสายต่างๆย่อมไหลลงสู่มหาสมุทรและเมื่อไปรวมกับน้ําในมหาสมุทรแล้วย่อมจะละชื่อเดิมของตนเสีย ถึงถึงการนับว่ามาหาสมุดเหมือนกันทั้งหมดชั้นใดในธรรมวินัยนี้ก็ฉชั้นนั้นกนละบุตรผู้มีศรัทธาภาษาทะปรารถนาจะบวชออกจากตระกูลต่างๆวันะต่างๆเช่นวันะพราหมบ้างกษัตริย์บ้างไวยสยะบ้างสูตรบ้างคนเทยักเยื่อบ้างฉันฐานบ้างแต่เมื่อมาบวชในธรรมวินัยนี้แล้วละวนันะสกุลและพวของตน ถึงซึ่งการนับว่าสมณะสากยบุตรเหมือนกันทั้งหมดภิกษุทั้งหลายความพล่องหรือความเต็มเ อ, อือย่อมไม่ปรากฏแก ม, มหาสมุทรแม้พระอาทิตย์จะแผดเผาสัตรใดน้ำในมหาสมุรก็หาเหือนแห้งไปไม่แม้แม่น้ำสายต่างๆและฝนจะลังลงสู่มหาสมุทรสัตรใดมหาสมุรก็ไม่เต็มฉันใดในธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นแม้จะมีภิกษุเป็นอันมาก นิพพานไปแล้วด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุแต่นิพพานธาตุก็คงมีอยู่อย่างนั้นไม่พล่องไม่เต็มเลยแม้จะมีผู้เข้าถึงนิพพานอีกสัตว์เท่าใดนิพพานก็คงมีให้ผู้นั้นอยู่เสมอไม่ขาดแคลนหรือขับแคบภิกษุทั้งหลายมหาสมุทรมีพูดคือสัตว์น้ําเป็นอันมากมีอวัยวะใหญ่และยาวเช่นปลามิติปลาติมิงคะระปลาวานเป็นต้น ฉันใดในธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นมีพูดคือพระอริยบุคคลเป็นจํานวนมากมีพระโสดาบันบ้างพระสกทาคามีบ้างพระอนาคามีบ้างพระอรหันบ้างจํานวนมากหลายเหลือนับพิสษุน์ทั้งหลายมหาสมุทรมีนานารัตน์เช่นลูกดามณีไพฑูรย์เป็นต้นฉันใดในธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้น มีน า, นานาธรรมรัตนะเช่นสติปัะธานสีสมมประธานสี่อิทธิบาสสีโคชชงเจ็ดมักมีองค์แปดเป็นต้นพิสูจน์ตั้งหลายน้ำในมหาสมุทย่อมมีรถเดียวคือรถเข็มชั้นใดธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นมีรถเดียวคือวิมุตติรถหมายถึงความหลุดพ้นจากกิเลสอันเป็นจุดมุมม่งหมายสำคัญแห่งพรหมจรรย์ที่เราประกาศแล้ว เพระเหตุที่ธรรมวินัยหรือพรหมจรรย์ของพระองค์สมบูรณ์ด้วยนานาคุณลักษณะและสามารถช่วยแก้ทุกแก่ผู้ที่มีทุกข์ได้นี่เองพระองค์จึงเรียกพรหมจรรย์ว่าเป็นกัลยาณมิตรและเรียกกัลยาณมิตรเป็นพรหมจรรย์เพราะกัลยาณมิตรที่แท้จริงของคนก็คือธรรมและปาประมิตรที่แท้จริงของคนก็คือความชั่วทุจริตจะมีศัตรูใด ร้ายแรงเท่าปยาธิคือโรคจะมีแรงใดเสมอได้แรงกรรมจะมีมิตรใดเสมอได้มิตรคือธรรมพระอ น, นุนเคยคิดว่ากาลยานามิตรนั้นน่าจะเป็นครึ่งหนึ่งของพรหมจรรย์แต่พระาศาสดาตรัสว่าอย่าคิดอย่างนั้นเลย อ, อ น, นุนกาลยานามิตรเป็นพรหมจรรย์ทั้งหมดทีเดียวเพราะผู้ใดอาศัยกาลยานามิตรอย่างเราแล้วย่อมหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งมวล พระอนุนพุทธอนุชาได้รับการยกย่องจากประาศาสดามากหลายเป็นที่รู้จักกันว่าท่านเลิศในห้าสถานด้วยกันคือ 1. เป็นพหูสูตรสามารถทรงจำพระพุทธพค์ไว้ได้มาก 2. แสดงธรรมได้เพราะคนฟังไม่อิ่มไม่เบื่อ 3. ม, มีสติรอบคอบรู้สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำา 4. มีความเพียรพยายามดี หลายอุปถากบำรุงภาษาสดาดียิ่งไม่มีข้อบอกพร่องเมื่อมีโอกาสท่านมักจะสนทนากับพระสารีบุตรอยู่เสมอในอัมพีอังคุตระนิกายมีเรื่องที่พระอานนท์สนทนากับพระสารีบุตรหลายเรื่องด้วยกันเช่นเรื่องที่เกี่ยวกับนิพพานและสมาธิเรื่องภิกษุผู้ฉลาดและภิกษุผู้ไม่ฉลาดจากการสนทนากันบ่อยๆนี้ พระสารีบุตรได้ประจักษ์ชัดว่าพระอนอนุ์เป็นผู้ควรแกการยกย่องและได้ยกย่องเชิดชูพระอนอนุ์ว่ามีคุณธรรมหประการคือ 1. เป็นผู้ได้ยินได้ฟังมาก 2. เป็นผู้แสดงธรรมตามที่ได้ยินได้ฟังโดยพิสดาร 3. เป็นผู้สาธยายโดยพิสดาร 4. เป็นผู้ชอบตรึกตรองเพ่งพิจารณาธรรมห เป็นผู้ยินดีอยู่ใกล้กับพระเถระที่เป็นพรวสูตรทรงธรรมทรงวินัยและ 6. ท่านพยายามเข้าหาท่านที่เป็นเภะวสูตรทรงธรรมทรงวินัยเพื่อเรียนถามข้อที่ควรถามในโอกาสอันสมควรพระอ น, นุลพุทธอนุชาได้ติดตามพระศาสดาอยู่เป็นเวลานานกระทากิจทุกอย่างเพื่อพระพุทธองค์โดยไม่คํานึงถึงความเหนื่อยยากลําบากใดๆ ท่านมีจิตใจที่อ่อนโยนบริสุทธิ์สะอาดในพระาศาสดาประดุจมารดาผู้ประเสริฐที่พึงมีต่อบุตรสุดสวามีความเคารพยามเกรงในประผู้มีประภาคประดุจบุตรผู้เลื่อมใสต่อบิดาและอยู่ในโอวาทของชนกผู้ให้กำเนิดตนท่านปฏิบัติหน้าที่ของท่านซื่อสัตย์สุดจริตเที่ยงตรงเฉกดวงตะวันและจัดตราจะหาผู้ใดเล่าเสมอเหมือน พระอนุชาผู้นี้จบจนพรรษายุการแห่งพระบรมศาสดาเข้าปีที่79ตอนปลายเหลืออีกเล็กน้อยที่ผู้ประทานแสงสว่างแก่โลกจากปรินิพานเปรียบานดวงสุริยาซึ่งทอแสงนักขอบฟ้าทิศตะวันตกก่อนจะอำลาทิวาการพระผู้พิชิตมารประทับณาิี่จกรูปบรรพ์ใกล้กรุงราชคลี คราวนั้นพระเจ้าอาชาติศัตรูกำลังเตรียมตัวจะรุกรานแคว้นวชีจึงทรงวสการพราหมมหาอมร์ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเพื่ออย่างดูว่าพระพุทธองค์จะตรัสอย่างไรพระเจ้าอาชาตศัตรูทรงเชื่อมั่นอยู่ว่าพระวาจาแห่งพระารรมกต น, นไม่เป็นสองวสการพราหมรับพระบัญชาเหนือกล่าวแล้วเข้าไปเฝ้าพระาศาสดาทูลว่า เวลานี้พระเจ้าอาชาติศัตรูกำลังเตรียมทัพจะบุกพัชีซึ่งมีนครเวสาลีเป็นเมืองหลวงได้ส่งข้าพระพุทธเจ้ามากราบทูล ถ, ถามถึงผาสุขวิหารคือความทรงพระสําราญแห่งพระองค์และขอถวายบังคมพระองค์ด้วยเสียงกล้าวสมัยนั้นพระอ น, นุลพุทธอนุชายืนถวายงานพัดอยู่เบื้องหลังพระพุทธองค์ไม่ตรัสกับพระีกาลพรามณ์แต่กลับตรัสถามพระอนล ถึงความเป็นไปแห่งนครเวสาลีว่าอนุนชาวัชชียังคงประพฤติวัตชีธรรมอภปริหานิยธรรมคือธรรมที่เป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมแต่เป็นไปเพื่อความเจริญโดยส่วนเดียวอยู่หรือยังคงประพฤติอยู่พระเจ้าค่ะดูก่อนอนุนชาวัตชีประพฤติมั่นในธรรมเจ็ประการคือ 1. มันประชุมกันเนืองนิด 2. เมื่อประชุมก็พร้อมเพียงกันประชุมเมื่อเลิกประชุมก็เลิกโดยพร้อมเพียงกันและพร้อมเพียงการทากิจของชาววัตชีให้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี3ชาววัตชีย่อมมีความเคารพเชื่อฟังในบัญญัติเก่าของชาววัตชีที่ดีที่มีอยู่แล้วไม่เพิกถอนเสียและไม่บัญญัติสิ่งซึ่งไม่ดีไม่งามขึ้นมาแทน 4. ชาวัตชีครบรสการะนับถือยามเกรงซึ่งผู้เฒ่าผู้แกผู้ผานโลกมานานไม่ลบลูดูมินหรือเหยียดหยาม 5. ชาวัตชีประพฤติธรรมในสุภาพสตรีคือไม่คมเหงน้ำใจสุภาพสตรี 6. ชาวัชชีรู้จักครพรสการะบูชาซึ่งปูชนียสถานและ 7. ชาวัตชีให้ความอาราขาคุ้มครองพระอรหรันต และสมณะพราหมณาจารย์ผู้ประพฤติ ธ, ธรรมปรารถนาให้สมณะพราหมณาจารย์ผู้มีศีลที่ยังไม่มาสู่แคว้นขอให้มาและที่มาแล้วขอให้อยู่เป็นสุข ติชาวัตชียังประพฤติปฏิบัติวัชีธรรมทั้งเจ็ดประการนี้อยู่พวกเขาจะไม่ประสบความเสื่อมเลยมีแต่ความเจริญมั่นคงโดยส่วนเดียวแล้วพระพุทธองค์ทรงผินประพักมาตรัสกับวัสกาพลพรามว่าพรามครั้งหนึ่งลรพักอยู่ที่สารันทะเจดีใกล้กรุงเวสาลีได้แสดงธรรมเจ็ประการแก่ชาววัชีตราบใดที่ชาววัชชียังประพฤติตามธรรมนั้นอยู่พวกเขา จะหาความเสือ่อมได้เลยมีแต่ความเจริญโดยส่วนเดียวข้าแต่พระผู้มีพระภาควัสกาลพรามทูลไม่ต้องพูดถึงว่าชาววัชชีจะบริบูรณ์ได้ทำทั้งเจประการเลยแม้มีเพียงประการเดียวเท่านั้นเขาก็จะหาความเสื่อมไม่ได้จะมีแต่ความเจริญโดยส่วนเดียวเมื่อวัสกาลพรามทูลลาแล้วพระาศาสดาได้รับสั่งให้พระอานนท์ ประกาศให้ภิกษุทั้งหมดซึ่งอาศัยอยู่ณกรุงราชคลึมาประชุมพร้อมกันแล้วพระมาาสมณะทรงแสดงอภิริหานิยธรรมโดยอนเนกกระปริยายเป็นต้นว่าภิกษุทั้งหลายตราบใดที่พวกเธอยังมันประชุมกันหนึ่งนิดพร้อมเพรียงกันประชุมเข้ารบในศิขาบทย้ำเกรงภิกษุผู้เป็นสังฆเถระรสังฆบิดรไม่ยอมตนให้ตกอยู่ภายใต้แห่งอำนาจตันหา พอใจในการอยู่อาศัยเสนาสนะป่าปาถนาให้เพื่อนพรหมจันทร์มาสู่สำนักและอยู่เป็นสุขตราบนั้นพวกเธอจะไม่เสื่อมเลยมีแต่ความเจริญโดยส่วนเดียวภิกษุทั้งหลายตราบใดที่เธอไม่หมกมุ่นกับงานจนมากเกินไปไม่พอใจด้วยการคุยฟุ้งซ่านไม่ชอบใจไม่พอใจในการนอนมากเกินไปไม่ยินดีในการคลุกคลีในหมูนะ่คณะ ไม่เป็นผู้ปราถนาลามกตกอยู่ภายในอำนาจแห่งความปราถนาชั่วไม่ครบมิตรเลวไม่หยุดความเพียรพยายามเพื่อบรุกคุณธรรมสูงสูงขึ้นไปแล้วตราบนั้นพวกเธอจะไม่มีความเสื่อมเลยมีแต่ความเจริญโดยส่วนเดียวพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนภะูเขาคิจกูดกรุงราชคลึกพอสมควรแล้วโดยมีพระอานน์เป็นปัะชารมณะ ก็เสด็จบายพระพักสู่นครเวสาลีผ่านเมืองอัมพารติกาเมืองนาลันธาและปากลีคามซึ่งพระเจ้าอาชาศัตรูให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นเมืองสลับใช้เป็นที่มั่นโจมตีแคว้นวัชชี เองพระสารีบุตรเคยกล่าวอาสภิวาจาคือถ้อยคําที่แสดงซึ่งความเลื่อมสายยิ่งในพระาศาสดาว่าท่านมีความเลื่อมสายอย่างยิ่งในพระพุทธองค์ทั้งในอดีตอนาคตและปัจจุบันไม่มีสมณะหรือพราม์ใดๆเลยที่จะเป็นผู้รู้ยิ่งไปกว่าพระพุทธองค์ในเรื่องสัมโภ ธ, ธิยานเมื่อเสด็จถึงปาตลีคามอุบาสกอุบาสิกาเป็นจำนวนมากหลายได้เข้าเฝ้า พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงโทษแห่งศีลวิบัติ5ประการคือ 1. ผู้ไร้ศีลย่อมประสบความเสื่อมทางโภคะ 2. ชื่อเสียงทางไม่ดีฟุ้งขจรไป 3. ไม่กล้ากล้าอาหารเมื่อเข้าประชุม 4. เมื่อจวนจะตายย่อมขาดสติสัมปชัญญะคุ้มครองสติไม่ได้เรียกว่าหลงตายและ 5. เมื่อตายแล้ว ย่อมไปสู่ทุกขติส่วนคุณแห่งศีลสมบัติมีนะยะตรงข้ามกับศีลวิบัติดังกล่าวแล้วพระพุทธองค์เสด็จผ่านโกตีคามและนาธิกะคามตามลำดับในระหว่างนั้นได้ทรงแสดงธรรมอันเป็นประโยชน์ยิ่งแก่ผู้ที่มาเฝ้าแก่พิสุสง์แก่พระโนนบ้างเช่นเรื่องอริยสัจและเรื่องให้อาลธรรมะเป็นกระจกเงาดูตนเอง จนกระทั่งสเสด็จเข้าสู่เขตเวสาลีประทับณอัมพาปาลีวันของหญิงนครโสเพนีนามอัมพาปาลีไม่ทรงสเสด็จเข้าสู่นครเวสาลีแม้กระสักติฉวีจะทูลอาราธนาก็ทรงปฏิเสธข่าวเรื่องพระเจ้าอาชาติศัตรูเตรียมทัพเพื่อตีวัชีนั้นทำให้พระพุทธองค์ผู้มีพระมหากรุณาธิคุณดุดท่วงมหนบทรงห่วงใยวัชียิ่งนัก เป็นเวลาเกือบหนึ่งปีที่เสด็จวนเวียนอยู่ในแคว้นวัชีในที่สุดเสด็จประทับในเวลัวคามซึ่งมั่งคั่งพร่างพร้อมด้วยผลต้นมะตูมเรียงรายเมื่อชวนจะเข้าพรรษาจึงมีพระพุทธานุ ญ, ญาตให้พิสุทธ์ทั้งหลายเลือกที่จะพรรษาได้ตามชอบใจส่วนพระองค์จะประทับจำพรรษาในเวลัวคามการที่พระองค์ไม่เสด็จเข้าไปภายในเวสาลีนั้น น่าจะเป็นเพราะไม่ทรงปรารถนาด้วยเรื่องการบ้านการเมืองถ้าเสด็จเข้าไปอาจจะเป็นที่ระแวงของพระเจ้าอาชาติศัตรูว่าพระองค์เอาพระไัยเข้าข้างเวสารีแต่การที่พระองค์ทรงวนเวียนอยู่ในเขตเวสารีเป็นเวลาเกือบปีนั้นก็ได้ผลสมพระประสงค์คือพระเจ้าอาชาติศัตรูไม่ได้ยาตราทับกสูกรนวัชีเลยพระบรมศาสดาของเรานั้น ไม่ได้ทรงเครือกูลในหมู่ชนเพียงแต่ในทางธรรมเท่านั้นแต่พระองค์ทรงบำเพ็ญประโยชน์แก่เทวดาและมนุษย์แม้ในทางโลกอีกด้วยสมแล้วที่พระองค์ได้พระนามว่าพระโลกนาฏผู้เป็นที่พึ่งของโลกแม้ภายหลังจากที่พระองค์ได้ปรินิพพานแล้วแต่บัดนั้นจนกระทั่งบัดนี้มีมนุษย์จํานวนนับไม่ได้ที่ได้ระลึกถึงคําสอนของพระพุทธองค์แล้ว ได้วางมือจากการประกอบความชั่วแล้วตั้งหน้าทำความดีพระองค์ยังทรงเป็นที่พึ่งของโลกอยู่ในพรรษานั่นเองซึ่งเป็นพรรษาสุดท้ายแห่งประชนอาชีพพระตถาคตเจ้าทรงพระประชวรหนักด้วยโรคปักขันที่กาพาดคือมีพระบางคนเป็นโลหิตแต่ทรงพิจารณาเห็นว่ายังไม่ถึงการอันสมควรที่พระองค์จะปรินิพาน จึงทรงใช้สมาธิอิธิบาตภาวนาขับไล่อาภารต น, นด้วยอธิวาสนาขันติคือการอดทนต่อทุกขเวทนาที่เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บเรื่องที่พระองค์ทรงใช้ความอดทนจนหายอาภารนี้เป็นที่ประจักษ์แก่พุทธบริษัททุกหมู่เหลา่าเมื่อหายแล้ววันหนึ่งประทับนั่งนรกเ ง, งาแห่งวิหารในเวลาเย็นพระอรุเข้าเฝ้ากราบทูลว่า ค่าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐข่าพระองค์ได้เห็นความอดทนของพระองค์แล้วความอดทนอดตั้านอันใดที่พระพุทธองค์เคยพร่ำสอนผู้อื่นเสมอพระองค์ได้ทรงกระทำซึ่งความอดทนนั้นให้เห็นเป็นตัวอย่างแล้วสมแล้วที่พระองค์ได้รับการยกย่องว่าปรัสอย่างใดทรงกระทำอย่างนั้นทรงกระทำอย่างใดตรัสอย่างนั้นยาถาวาดียถาการี ยถาการียถาวาทีก็แต่ว่าพระองค์ผู้เจริญในสมัยที่พระองค์ทรงพระประชวรหนักนั้นข้าพระองค์มีความมิตตกกังวลอย่างยิ่งกายของข้าพระองค์งอมระงมไปหมดประหนึ่งความรู้สึกของหมู่ปักสีซึ่งอาศัยอยู่บนพึกษาและต้นไม้นั้นไกวแกว่งพาะแรงลมทิศ ท, ทั้งหมดปรากฏเหมือนว่า มืดมนสำหรับข้าพระองค์ข้าพระองค์มองดูแล้วเหมือนข้าพระองค์จะเจ็บด้วยและเจ็บลึกยิ่งกว่าพระองค์เสียอีกแต่ข้าพระองค์ยังเบาใจอยู่อย่างหนึ่งว่าพระองค์ยังไม่ให้ประชุมสงฆ์ปาลารบข้อติควรปราลารบในท่ามกลางมหาสมาคมตราบใดตราบนั้นพระองค์คงจักไม่ปรินิพานเป็นแน่แท้อานน์เอ เธอและภิกษุสงฆ์จะหวังอะไรในเราอีกเล่าทำใดที่ควรแสดงเราได้แสดงหมดแล้วไม่มีในกรรมมือของอาจารย์อยู่ในเราเลยคือเราไม่ได้ปกปิดซ่อนเว้นหรือว่าหวงแหนทําใดๆไว้เราได้ชี้แจงแสดงเปิดเผยหมดสิ้นแล้วธรรมวินัยซึ่งเป็นมรดกอันประเสริฐของมิดาทศานคตได้มอบให้เธอและภิกษุทั้งหลายโดยสิ้นเชิงแล้วอานนท์เอ่ย จงดูเอาเถิดดูสรีระแห่งตถาคตซึ่งบัดนี้ชราลักษณะปรากฏอย่างชัดเจนฟันหักผมหงอกหนังหดเหี่ยวหย่อนยานมีอาการสุดโสมให้เห็นได้อย่างชัดเจนเหมือนเกวียนที่ชำรุดแล้วชำรุดอีกได้อาศัยแต่ไม้ไผ่มาซ่อมไว้ผูกกระนาบคาบคำไว้จะยืนนานไปได้สักเท่าใด การแตกแยกสลายย่อมจะมาถึงเข้าสวรรค์นหนึ่งอนุนเอยพวกเธอจึงมีธรรมะเป็นเกาะเป็นที่พึ่งเธออย่าคิดยึดสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยแม้เราตะาคตก็เป็นแต่เพียงผู้บอกทางให้เท่านั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่นะเวลุวะคามเป็นเวลานานถึง8เดือนแม้ออกพรรษาแล้วก็ไม่ได้เสด็จไปที่อื่น คงประทับจับยั้งอยู่ณที่นั้นจนสิ้นฤดูเหมันนับเป็นเวลานานมากที่ประทับอยู่ในบูบ้านเล็กๆเช่นเวลัวคามีพระองค์ทรงแน่พระทัยว่าคงจะดำรงพระชนมอาชีพไปได้ไม่นานนักแต่ไม่ได้ตรัสบอกพระอานน์ในเวลานั้นเหลือเวลาอีกสามเดือนที่จะปริณิพานระหว่างนั้นพระพุทธองค์ทรงถูกอาพาธ คอยบีบคันเบียดเบียนอยู่เสมอแต่ก็ทรงดำเนินต่อไปอีกหลายแหง่งเสด็จโดยประบาทเปล่าไม่มีใครแบกไม่มีใครหามเลยเมื่อทรงเหน็ดเหนื่อยมากเข้าก็ทรงหยุดพักทุกหนทุกแห่งที่เสด็จไปจะมีพระอนุ์ตามเสด็จเสมือนพระฉายาแม้จะลำบากพระวราการสักปานใดแต่น้ำพระทัยกรุณาที่มีต่อสรรพสัตว์เออท้นในพระมนต จึงทรงจาริกเพื่อประโยชน์สุขแห่งมวลชนจากเวลัวคามเสด็จไปยังกูตาคาราสาลาในป่ามหาวันซึ่งกษัตริย์จาวีแห่งเวสาลีได้สร้างถวายเป็นที่ประทับเมื่อเสด็จมาเป็นครั้งคราวรับสั่งให้พระอนนุ์ประกาศประชุมสงฆ์ที่อยู่อาศัยในเวสาลีทั้งหมดทรงโอวาทแก่พิสุท์ั้งหลายด้วยอภิญญาเทศิจธรรมคือธรรมที่พระองค์ทรงแสดงไว้ เพื่อการตรัสรู้หลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงได้แก่สติปัาน4สัมมปาปธาสีอิทิบาสีอินสีห้าพละหโพชฌงเจ็ 7, และมักมีองค์8ปให้พิกษุตั้งหลายมันอบรมประพฤติธรรมดังกล่าวนี้ เสด็จเข้าไปบินธบาตในเมืองเวสาลีชาวนครเวสาลีระทึกใจเป็นที่ยิงเมื่อทราบว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วที่พวกเขาจะได้เห็นได้เฝ้ารับโอวาทานุศาสนีจากพระพุทธองค์บางพวกร่ำไห้บางพวกตีอกชกหัวประหนึ่งบิดาื่อเกิดกล่าวแห่งตนจะเดินทางไปสู่สมรภูมิและรู้แน่นอนว่า ไปจะไม่กลับมาพระจอมุนีประธานเทศนาให้เขาเหล่านั้นคลายโศกโดยทรงย้าให้ระลึกถึงพระโอวาทที่เกิดประทานไว้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาการเศร้าโศกคลั่มครวนย่อมไม่อาจลวงเหนี่ยวสิ่งซึ่งจะต้องแตกดับมิให้แตกดับได้แ ล, แล้ว พระพุทธองค์ก็เสด็จออกจากนครเวสาลีทรงยืนอยู่หน้ประตูเมืองผู้หนึ่งหินประพักมองดูเวสาลีเป็นนาคาโล ก, กวนาการปานประหนึ่งพยาคุชสารตัวประเสเริฐเหลียวดูแมกไม้เป็นปัจฉิมทัศนาเมื่อถูกนำไปสู่นครเพื่อเป็นพระราชพาหนะพระตถาคตเจ้าทอดสถาการเวสาลีพลางทรงลำพึงว่า ดูกรเวสาลีนครมั่งคั่งสมบูรณ์เป็นนครที่นาำกระเดื่องเรื่องเลอว่ามีคนแต่งกายงามที่สุดปานหมู่เทพชั้นดาวดึงมีสะโบกกรณีมากหลายเป็นที่เรื่นรมปราศาทตร์แห่งเจ้าลิชวีเสียดยอดปรดะดัดูงามตาพิลาดพิไลโดยเฉพาะลิชวีสภาซึ่งจงใจทำอย่างปราณีตบรรจงงามวิจิต เป็นที่ประชุมแห่งกระสัตย์นิจฉวีผู้พร้อมใจกันปกครองบ้านเมืองโดยสามากีธรรมดูก่อนเวสาลีนครซึ่งมีปลาการสามชัน้นมีเบื้องหลังเป็นป่าใหญ่ทอดยาวเหยียดสูงขึ้นไปจนถึงหิมาลัยวันพตอันได้นามว่ามหาวันซึ่งตถาคตแวะเวียนมาพักอยู่เสมอการได้เห็นเวสาลีครั้งนี้ เป็นปัชิมะทศนาการสำหรับตถาคตแล้วตถาคตจะไม่ได้เห็นเวสาลีอีกทรงลำพึงดังนี้แล้วจึงพันประพักมาตรัสกับพระอนนท์ว่าอ น, อนุนการมองดูเวสาลีครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายของตถาคตแล้วอ น, อนุ์เออยทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อมีการเริ่มต้นแล้วย่อมมีสิ้นสุด ใครเล่าจะสามารถน่วงเหนียวสิ่งซึ่งจะต้องเป็นไปไม่ให้เป็นไปได้มาเถิด อ, น, อนุนเราจะเดินทางไปสู่ปาวาลเจดีพระตถาคตเจ้าตรัสเท่านี้แล้วเสด็จดำเนินได้พุทธลีลาอันประเสริฐพระพุทธอนุชาตามเสด็จพระาศาสดาด้วยอาการสงบและเคล่งคลึมใครเล่าจะทราบว่าภายในดวงจิตของท่านนั้น จะปั่นปวนรวนเรเศร้าโศกอ่อนไหวแลว้วหว่หวันสักเพียงใดพระพุทธองค์เสด็จมาถึงปาวาและเจดีประทับภายใต้ต้นไม้ซึ่งมีเงาคลืมต้นหนึ่งตรัสกับพระอนน์ว่าอา น, นุ์ผู้อบรมอิทธิบาทสีมาอย่างดีทำจนแคล่วคล่องแล้วอย่างเรานี้ถ้าปราถนาจะมีชีวิตอยู่ถึงหนึ่งกับคือหนึ่งรปีก็สามารถจะมีชีวิตอยู่ได้ พระโลกก็น่าตรัสเท่านี้ถึงสามครั้งแต่พระอนุ์ก็คงเฉยไม่ได้ทูนอะไรเลยความกังวลและความเศร้าของท่านมีมากเกินไปจนปิดบังดวงตาและปัญญาเสีหมดสิน้นความจงรักภักดีอย่างลดเหลือที่ท่านมีต่อพระศาสดานั้นบางทีก็ทำให้ท่านลืมเฉลียวถึงความประสงค์ของผู้ที่ท่านจงรักภักดีนั้นท่านปล่อยโอกาสทองให้ล่วงไปอย่างน่าเสียดาย เมื่อเห็นพระอนน์เฉยอยู่พระพุทธองค์จึงตรัสว่าอา น, นุ์เธอไปพักผ่อนสิบ้างเถิดเธอเหนื่อยมากแล้วแม้ตถาคตก็จะพักผ่อนเหมือนกันพระอนน์จึงหลีกไปพักผ่อนนักโคนต้นไม้อีกต้นหนึ่งนบััดนั้นพระตถาคตเจ้าทรงรำพึงถึงอดีตการนานไกลซึ่งล่วงมาแล้วถึงส5สปีสมัยเมื่อพระองค์ตรัสรู้ใหม่ ทอพระไทยในการที่จะประกาศัธรรมเพราะเกรงว่าจะทรงเหน็ดเหนื่อยเปล่าแต่ว่าอาศัยพระมหากรุณาต่อหมู่สัตว์จึงตกลงพระไทยย่ำธรรมพรีและครานั้นพระองค์ทรงตั้งพระไทยว่าตะบริษัททั้งสีคือภิกษุภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกายังไม่เป็นปึกแผนมั่นคงคำสอนของพระองค์ยังไม่แพร่หลายเพียงพอตราบใด พระองค์ก็จะยังไม่ปรินิพานตราบนั้นก็แลบัตดนี้พระธรรมคำสอนของพระองค์แพร่หลายเพียงพอแล้วภิกษุภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกาฉลาดสามารถพอที่จะดำรงพรหมจรรย์ศาสนาวาตของพระองค์ก็เป็นการสมควรแล้วที่พระองค์จะเข้าสู่มหาปรินิพานทรงดำริชนีแล้ว จึงทรงปรงพระชนมายุสังขารคือตั้งพระไถยแน่วแน่ว่าพระองค์จกปรินิพานในวันวิสาขบุรณะมีคือวันเพ็ญเดือนหกอันว่าบุคคลผู้มีกําลังกลิ้งศิลามหือมาแท่งทึบจากหน้าผาลงสูส่สระย่อมก่อความกระเพื่อมสั่นสะเทือนแก่น้ําในสระฉันใดการปรงพระชนมายุสังขารอธิษฐานพระไถยว่าจาระปรินิพานของพระอนาคามิยานก็ฉันนั้น ได้ก่อความวิปริตแปรปรวนแต่โลกธาตุทั้งสิน้นมหาปตพีมีอาการสั่นสะเทือนเหมือนหนังสัตว์ที่เขาขึงไว้แล้วตีด้วยท่อนไม้ใหญ่ก็ปานกันรุกขสาขาหวันไหวไกวแกงด้วยแรงวายุโบกสะบัดใบอยู่พอสมควรแล้วนิ่งสงบมีอาการประหนึ่งว่าเศร้าโศกสลดในเหตุการณ์ครั้งนี้เหมือนกุมารีนางน้อยลคล่มครวนปริเทวนาการ ถึงมารดาผู้จะจากไปจนสลบแน่นิ่งณเบื้องบนท้องฟ้าสีครามกลายเป็นสีแดงเข้มดุดเสือลำแพนซึ่งไหลได้วยเลือดสดปักษาชาติร้องละงมสนัน่นไพรเหมือนจะประกาศว่าพระผู้ทรงพระมหากรุณานั้นกำลังจะจากไปในเมชานี้พระอานนท์สังเกตเห็ความมีปลิดแปลปรลวนของโลกธาตุดังนี้ จึงเข้าเฝ้าพระจอมบุญีปูนถามว่าพระองค์ผู้เจริญโลกธาตุนี้วิปริตแปลปรวนผิดปกติไม่เคยมีไม่เคยเป็นได้เป็นแล้วเพราะเหตุอะไรหนอพระทศพลเจ้าตรัสว่าอนุ์เอยอย่างนี้แหละคลาใดที่ตถาคตประสูนตรัสรูหมุนธรรมจักปรงอายุสังขารและนิพานคลานั้น ย่อมจะมีเหตุการณ์วิปริตอย่างนี้เกิดขึ้นพระอานนท์ทราบว่าบัดนี้พระสถขาคตเจ้าโปรงพระชนมายุสังขารเสร็จแล้วความสะเทือนใจและว่าเวประดังขึ้นมาจนอสุชนทาราหลายหลังสุดห้ามหักเพราะความรักเหลือประมาณที่ท่านมีในประเทศตปาดาท่านหมอบลงที่ประบาทและทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริ ขอพระองค์อาศัยความกรุณานในข้าพระองค์และหมูสัตว์จงดำรงพระชนม์นอาชีพต่อไปเถิดอย่าเพิ่งด่วนปรินิพานเลยกราบทูลทันทีแล้วพระอนุ์ก็ไม่อาจจะทูลอะไรต่อไปอีกเพราะความโศกาดูนท่วมท้นอาไทย อ น, อนนท์เอยพระศาสดาตรัสพร้อมด้วยทอดทัศนาการไปเบื้องพระพักอย่างสุดไกลมีแววแห่งความเด็ดเดี่ยวฉายออกมาทางพระเนรและพระพักเป็นไปไม่ได้ที่จะให้ตทาคตกลับใจตทาคตจะต้องปรินิพานในวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะอีกสามเดือนข้างหน้านี้อานอนท์เราได้แสดงนิมิตโอภาสอย่างแจ่มแจ้งแก่เธอพอเป็นระยะมา ไม่น้อยกว่า16ครั้งแล้วว่าคนอย่างเรานี้มีอิทธิบาทภาวนาได้อบรมมาดีถ้าประสงค์จะอยู่ถึงหนึ่งกับคือ120ปีก็พออยู่ได้แต่ว่าเธอก็หาเฉลียวใจไม่มิได้ทูนว่าเลยเราตั้งใจว่าในคราวก่อนๆ น, นั้นถ้าเธอให้เราอยู่ต่อไปเราจะห้ามเสียสองครั้งพอเธอทูนครั้งที่สาม เราจะรับอรัธนาของเธอแต่บัดนี้ชาไปเสียแล้วเราไม่อาจกลับใจได้อีกพระศ า, าสดาหยุดยู่ครู่หนึ่งแล้วตรัสต่อไปว่าอานอนท์เธอยังจำได้ไหมครั้งหนึ่งหน้าภูเขาซึ่งมีลักษณะยอดเหมือนกับนกแร้งอันได้นามว่าคิชกูณหน้าภูเขานี้มีถ้าอัญชจรนามชื่อว่าสุกราคาตาที่ถ้านี้เอง สาวกผู้เลื่องลือว่าเลิศทางปัญญาของเราคือสารีบุตรได้ถอนตันหานุสัยโดยสินเชิงเพียงเพราะคำที่เราสนทนากับหลานชายของเธอผู้มีนามว่าทีคณ ข, ขะพระไวเล็บยาวเมื่อสารีบุตรมาบวชในสำนักของเราแล้วทีคณ ข, ขะปริพาชกเที่ยวตามหาลุงของตน่าพบลุงของเขาคือสารีบุตรถวายงานพัดเราอยู่ จึงพูดเปลยเปลเป็นเชิงกระทบกระเทียบว่าพระโคโดมทุกสิ่งทุกอย่างข้าพระเจ้าไม่พอใจหมดซึ่งรวมความว่าเขาไม่พอใจเราด้วยเพราะตถาคตก็รวมอยู่ในคําว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ตอบเข้าไปว่าถ้าอย่างนั้นเธอควรจะไม่พอใจในความคิดอันนั้นของเธอเสียด้วยอนุนเราได้แสดงธรรมอื่นอีกเป็นอนเนกกับประยาย สารีบุตรถวายงานพาดไปฟังไปจนจิตใจของเธอหลุดพ้นจากอาสวะทั้งปวงอานนนเอยณผู้เขาคิดจูดจังกล่าวนี้เราก็เคยพูดกับเธอว่าคนอย่างเราถ้าจะอยู่ต่อไปหนึ่งกับหรือเกินกว่านั้นก็พอได้แต่เธอก็หารู้ความหมายแห่งคำที่เราพูดใหม่อานนนต่อมาก็ที่โคตมนิโกรธ ที่เหวสำหรับทิ้งโจรที่ทาสัตรบรับันใกล้เวพารบันพศที่กาลศิลาใกล้เขาอิสิกิริซึ่งเรื่องลือมาจาบุโบราณการว่าเป็นที่อยู่อาศัยของพระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นอันมากซึ่งเมื่อท่านเข้าไปณที่นั้นแล้วก็ไม่มีใครเห็นท่านออกมาอีกเลยจึงกล่าวขานกันว่าอิสิกิเิบันพ์คือภูเขาคลื่นกินฤาษี ที่เงื้มเขาชื่อส ป, ปิโซนติกาใกล้ป่าสีตะวันที่ตะปทธารามที่เวรวันสวนไผ่อันร่มรื่นของจอมเสนาแห่งแคว้นมคตที่สวนมะม่วงของหมอชีวกโกมารพัฒและก็ที่มัทกุจิมิกถายวันทั้ง10บแห่งนี้อยู่ที่เขตแขวงราชคลีต่อมาเมื่อเราทิ้งราชคลีตไว้เบื้องหลังจาริกสุเวสาลีนคร อ, อันรุ่งเรืองยิ่ง เราก็ให้ในยบาแก่เธออีกถึงหกแห่งคือที่อุทเทนเจดีสัตตมพระเจดีโคตมกะเจดีพรหุปุตตะเจดีสารันทะเจดีและปาวาระเจดีเป็นแห่งสุดท้ายคือสถานที่สี่เราอยู่ในขณะนี้แต่ว่าเธอก็หาเฉลียวใจไม่ทั้งนี้เป็นความบกพร่องของเธอเองเธอจะคล่ำครวเ อ, อะไรอีก อ, น อ, นอานน์เอย บัดนี้สังขารอันเป็นเสมือนเกวียนที่ชมรู้ดนี้เราได้สละแล้วเรื่องที่จะดึงกลับคืนมาอีกนั้นไม่ใช่วิสัยแห่งตถาคตอานอน์เราไม่ได้ปลักปล๊เธอเธอเบาใจเถิดเธอได้ทำหน้าที่ของเธอดีที่สุดแล้วบัดนี้เป็นการสมควรที่ตถาคตจะจากโลกนี้ไปแต่ว่ายังเหลือเวลาอีกสามเดือนบัดนี้สังขารของตถาคตเป็นเสมือนเรือรั่ว คอยแต่การเวลาที่จะจมลงสู่ท้องทาราเท่านั้นอานอน์เราเคยบอกเธอแล้วไม่ใช่หรือว่าบุคคลย่อมพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พึงใจเป็นธรรมดาหลีกเลี่ยงไม่ได้อานอน์เอ่ยชีวิตนี้มีความพลัดพรากเป็นที่สุดสิ่งทั้งหลายมีความแตกไปดับไปสลายไปเป็นธรรมดา จะปราถนาไม่ให้เป็นอย่างที่มันควรจะเป็นนั่นเป็นภานะที่ไม่พึงหวังได้ทุกสิ่งทุกอย่างดำเนินไปเคลื่อนไปสู่จุดสลายตัวของมันอยู่ทุกขณะและแล้วพระจอมาศาสดาก็เสด็จไปยังพันทุขามและโพคณครตามลาดับในระหว่างนั้นทรงให้โอวาพิสุทั้งหลายด้วยพระธรรมเทศนาอันเป็นไปเพื่อโลกุตระริยธรรมกล่าวคือ ศีล ส, สมาธิปัญญาวิมุตตและวิมุตติยานัศนะเป็นต้นว่าเิกสูตทั้งหลายศีลเป็นพื้นฐานเป็นที่รองรับคุณธรรมอันยิ่งใหญ่ประรหนึ่งแผ่นดินเป็นที่รองรับและเป็นที่ตั้งลงแห่งสิ่งทั้งหลายทั้งที่มีชีพและหาชีพมิได้เป็นต้นว่าพลึกสารดาวันมหาสิงขงและสัตว์จตุบททวิบาทน า, นานาชนิด บุคคลผู้มีศีลเป็นพื้นใจย่อมอยู่สบายมีความปลอดโปร่งเหมือนเรือนที่บุคคลปัดกวาดเช็ดถูเรียบร้อยปราศจากเลือดและฝุน่นไปที่รบกวนศีลนี่เองเป็นพื้นฐานให้เกิดสมาธิคือความสงบใจสมาธิที่มีศีลเป็นเบื้องตน้นเป็นพื้นฐานย่อมเป็นสมาธิที่มีผลมากมีอนิสง์มากบุคคลผู้มีสมาธิ ย่อมอยู่อย่างสงบเหมือนเรือนที่มีฝาผนังมีประตูหน้าต่างปิดเปิดได้เรียบร้อยมีหลังคาสำหรับป้องกันลมและแดดและฝนผู้อยู่ในเรือนชนีฝนตกก็ไม่เปียกแดดออกก็ไม่ร้อนชันงใดบุคคลผู้มีจิตเป็นสมาธิ ด, ดีก็ฉันั้นย่อมสงบอยู่ได้ไม่โกรนกระวายเมื่อลมแดดและฝนกล่าวคือโล ก, กะระทำแผดเผากระพือพัด สัดศาสเข้ามาครั้งแล้วครั้งเล่าสมาธิอย่างนี้ย่อมก่อให้เกิดปัญญาในการฟาดฟันย่ายีและเชือดเฉือนกิเลสาสวะต่างๆให้เบาบางและหมดสิ้นไปเหมือนบุคคลผู้มีกำลังจับสาตราอันคมกริบแล้วถางป่าให้โล่งเตียนก็ปานกัน ซึ่งมีสมาธิเป็นรากฐานนั้นย่อมปรากฏดุจไฟดวงใจกำจัดวามืดให้พระราชนาการไปมีแสงสว่างรุ่งเรืองอภัยขาบุละอองคือกิเลสให้ปลิวหายปัญญาจึงเป็นประดุจประทีพแห่งดวงใจอันวจิตนี้เป็นธรรมชาติที่ผ่องสายอยู่โดยปกติแต่เศร้าหมองไปเพราะคลุกคล้าด้วยกิเลสนานชา น, า น, า น, านิดคือศีล สมาธิและปัญญาเป็นเครื่องฟอกจิตใจให้ขาวสะอาดดังเดิมจิตที่ฟอกแล้วด้วยศีลสมาธิและปัญญายอมหลุดพ้นจากอาสวะทั้งปวง